ฟังธรรมขอมีส่วนร่วมกับทุกท่านในการทำความดีในการรักความชั่วในการทำกิตให้บริสุทธิ์อะไรที่พอจะเป็นเพื่อนกันได้คูดให้ฟังทำให้ดูอยู่ให้เห็น ไม่ใช่หรอกเกี่ยวเดียวได้ใครมาจากไหนที่ใดเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นผู้มีอายุเป็นนักบวชเป็นฆราวาส ด, ดัินกายใดไม่ไม่มีความขัดข้องอะไรเรามาเป็นเดินเดียวกันให้เข้าถึง ความรู้สึกตัวอย่าไปติดไปข้องกับสิ่งอื่นที่เคยผ่านมามาไม่มีความรู้สึกตัวเมื่อมีความรู้สึกตัวเราก็เป็นคนคนเดียวกันเราก็มีความรู้สึกตัวเมื่อมีความหลงเกิดขึ้นแล้วก็เปลี่ยนความหลงเป็นความรู้เป็นงานอันเดียวกัน คมลงอยู่หน้าที่ใดกับคนผู้ใดควงมรู้สึกตัวเกี่ยวกับผู้ใดกับท่านผู้ใดเราก็ทําหน้าที่อันนี้เหมือนกันหมดมีจิติเท่าเทียมกันในการปฏิบัติธรรมนี้เรามีสิตที่รู้สึกตัวเวลามราหลงเรามีสิตที่รู้สึกตัว ใช้จิตที่ของตนเองมันก็มีอยู่นะความหลงก็มีความลู้ก็มีความสุขความทุกข์ความผิดความถูกความยากความง่ายมีกันทุกคนจริงเหล่านั้นจะเอามาเป็นเครื่องของกั้นควางอมโหอยนอนความลลงเลืสงสัยความคิดฟุ่งเฟาอมีเหมือนกันหมด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 มันก็ช่นนี้ชํนนานของหนักก็เป็นเบาได้ของยากเป็นง่ายได้มันก็มีการพัฒนาชีวิตของเราเป็นไปได้เหมือนกันเราจะฝึกเป็นนักกีฬาแบบใดเราให้เราใส่ใจก็จริงแล้วนั่นไป เาจะเขินเหมือนเพียนหนังสือก็เจริงในการเรียนหนังสือในการทางานเป็นศิลปะของผู้สนใจเรื่องใดเป็นไปทํานองนั้นนี่อันนั้นมันก็เป็นนั้นหนึ่งแต่ว่าสิ่งที่อันเดียวกันอยู่นี่คือมีความรู้สึกตัวเนี่ยให้รเราได้เพียนข ย, ยามสักหน่อย ขอบขึ้นฝึกขัดตัวเองไม่ใช่การเรียนรู้เราก็รู้มาด้วยกันทั้ง น, นั้นแหละแต่ว่าอันความรู้นะมันใช่ไม่ได้บางโอกาสต้องถึกฝึกขัดให้มันเป็นอันทำให้เป็นเนี่ยมันเป็นสมบัติไม่ลืมไม่หลง ความรู้มันจำไม่ค่อยได้ไมันใช่การเรียนรู้เป็นการฝึกตนเองสอนตนเองแก้ไขตนเองเรามันหลงรู้จึกตัวทําให้มันเป็นเวามันสุขมันทุกข์รู้จึกตัวทําให้มันเป็นเวลามันโกรธมันโลภมันหลงมิจฉิลดา้านราคะที่มนาะเกิดขึ้น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 มัค่อยๆบีบนวดออกมันก็ออกเป็นเช่นได้บีบแรงเกินไปก็ขาดเขียนขาดก็ต้องเส้ยเวลาเขียนแรงไปเปล่าๆถ้าลองหัดทําให้เป็นอย่างนี้กับการสอนตอนเองเ่ยมันก็เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายได้ความรู้จึกตัวมันรูเ้เบา มันเป็นความยิ้มยิมชักหน่อยเป็นความสดชื่นชักหน่อยถ้าความ ย, ยากๆหน้าดำความเครียดไม่ใช่ความรู้สึกตัวเส็จแล้วเอาความยากเอาความห่ายไปต่อรองเอาความขยันเอาความขี้เกยียจไปต่อรองเวามันขยันก็ทำเวลาขี้เกยียจก็หยุดแต่ใช้ชีวิต ยืนเดินนั่งนอนแล้วแต่ที่จะมันจะคิดให้ยืนในนั่งในนอนถ้ามัอยากนั่งก่นั่งลงถ้ามันอยากยืนก็ยืนขึ้นถ้ามันอยากเดินไปไหนมาไหนอยากมองอะไรแต่คิดหลายมันเคยกินดังนั้นแล้วก็สอนเหมือนตรงนั้นแหละอาดลาดับลำำํานําให้มันชัดเจนเกี่ยว ก, กับการใช้ชีวิต มันมีสิ่งพื้นกดเยอะแยะหายเรื่องตาหูจมูกดิ้นกรใจอยบางทีก็มาประกอบแม่สิ่งเวร้ลงจนท้ยลูกก็มี่ชวนให้หลงก็มีในตัวนอกตัวมาเป็นการสอนตนทั้งหมดมาเป็นความรู้สึกตัวทั้งหมดรวมมลงที่นี่ แม่มายี่ที่ไหที่แหเอามาไว้ที่นี้เอามาลงที่นี้รู้สึกตัวรู้สึกตัวง่ายๆ่ายว่เชื่เอาเหตุเอาผลนะเอาเหตุเอาผลไปแก้ไปไขเอาหัวคิดปัญญาคิดได้ตอบได้อันนั้นไม่ใช่ไม่ใช่เหมือนเราเรียนหนังสือวิชาการต่างๆมันท่านทั้งหลายเรียนจบมามีความรู้กันดังนั้น พระพุทธเจ้าจะัยเป็นเจ้าภายสี่ทัพลูกมามากกว่าเรานี้สิบเจ็ดาสตร์ยังไม่เป็นพระพุทธเจ้าเลยที่จะเป็นพระพุทธเจ้าได้ตัดเช้ได้ถึงมรรคผลนิพพานได้มามีสติเนี่ยรู้สึกตัวเนี่ยไม่พระองค์เริ่มต้นท่องแรก ไี่แต่การคู่เฉีนเข้าการเหยียดเฉียนออกให้มีสติหัดคู่เฉีนเข้าหัดเหยียดฉันออกหัดเดินไปข้างหน้าใช้อีบทจับชายจีวรมานุ่ง ม, มาห وم, ่มจะใช้ชีวิตอันใดที่มันเคยเคลื่อนไหวเอามาใช้เป็นการฝึกให้ตนรู้สึกตัวหัดอย่างนี้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 ของจริงชีวิตเราต้องอใช้ให้เป็นประโยชน์ใช้อริบทต่างๆได้มีตาก็ดูมีหูก็ฟังได้แต่ให้มีสติ <c oughs> อย่างนี้เรียกว่าสอนตนฝึกตนบังทีก็ไปบังคับตัวเองบังทีก็ต้งอะไรไปผิด ไว้ก่อนล่งตาเคย <c oughs> เอาเรื่องอื่นจริงจังเกินไปเราโดนจงกรมเราเดังสมทิ <c oughs> <c oughs> ออนนี้จุดทูปไว้ทูปไม่หมดไม่ลุบโดนจง ก, กรมก็ปักธูปไว้ทูปไม่หมดจะไม่หยุด มันก็มองไปเมื่อไรทุกจะหมดนะะเลยมันก็เป็นเรื่องที่กระจุยกระจายไปเลยบางทีก็มีประโยชน์บางทีก็ไม่มีประโยชน์ถ้าใช่ไม่เป็นก็ไม่มีประโยชน์แต่ใช่เป็นก็มีประโยชน์อัตตตัวเรานี่แหละกําหนดมันมีความพอดีของไข่ของมันพล้วก็ร่างไม่ค่อยได้นานแลก็ร่าง ไ, ได้นาน อันนั่งการลูกมันจะให้กายมันสั่งแบบหรือความคิดมันสั่งให้สติมันสั่งให้มันเป็นใหญ่สักหน่อยให้สติเป็นใหญ่เวลานี้จะให้กายเป็นใหญ่จะให้ใจเป็นใหญ่อย่าเอากายไปต่อรองอางดีอย่าไปความคิดต่อรองกําหนดอะไรความคิดที่ไปเคยฝึกหัดกีดใจของตนเองมันมันค่อยเป็นระเบียบเท่าไหร่ ก้มร้ายก้มดีฟูผูแพร่แพร่ก็ไม่พอใจนิสัยต่างๆมันเคยกินมันติดเปื้อมันเพื่อนมาแล้วจะใครจะมีนิสัยยัางไงาบัด น, นี้เรามาขอนิสัยจากพระพุทธเจ้าหังบันเดนิสยังยาจามิพระเจ้าขอนิสัย ขออยู่กับธรรมอวินัยขอเข้าแบบเข้าพิมพ์ลหลอ่อแบบพิมพ์หล่อให้เป็นพระมีสติเนี่ยเป็นแบบพิมพ์แม่พิมพ์ถ้าความหลงมันหล่อให้เป็นเปรตเป็น ผ, เนผีเป็นยักษ์เป็นบานตามอาการต่างๆมันมีรู้มันมีหลงเนี่ยแน่นอนที่จุดไม่มีใครปฏิเสธเรื่องนี้ได้ เออไม่มีรู้มันก็ไม่เห็นหลงบางทีความหลงอาจจะอยู่ครอบของไอ้ใจของเราพอให้เราผิดพลาดหลงไหลไปต่างๆบอนนี้เรามาลู่สักตัวไปก่อนหัดลู่หอดลู่หอดลู่สิบสี่ลู่สร้างจาังหวะสิบสี่จังหวะโดยความลู่สิบสี่ครั้งครั้งละวินาที ล้วก็ทำได้อย่างนี้จึงว่าปฏิบัติได้ให้ผลได้ไม่มีใครยกมือไว้รู้สึกตัวลองไม่ใช่คนใบ้คนบ้าโง่เง่าเต่าตุนแล้วก็มีอยู่อาจารย์ท่านสอนให้เป็นกรรมฐานเมืองตุนให้รู้สึกตัวสิบสี่จังหวะหนัดมีบรรทัดไปก่อน หรือหัอาศัยนิมิตไปก่อนเหมือนเราเขียนหนังสือต้องอาศัยเส้นบรรทัดไปก่อนครึ่งบรรทัดเต็มบรรทัดไปก่อนต่อไปถ้าหมันชำนานไ ม, ไม่ไม่ต้องอาศัยบรรทัดก็ได้แล้วก่อนเราเขียนหนังสือต้องดูกระดอนมือต้องเขียนแบบนี้ไม่ต้องดูกระดอน จะเขียนอะไรมันมีอยู่ในสมองหรือว่าเป็นคอมพิวเตอร์มันบันทึกไว้แล้วตอนนี้มันบันทึกอะไรมากายของเรามังเคยอะไรมาใจของเราบางเคยชินอลไรมาบางทีมันทวนไปอดีตบ้างอนาคตบ้าง ไหลไปเอานาคไหลไป อ, าาไปอดีตไปข้างหน้าไปข้างหลังก็หนุ่มมองไปข้างหน้าต่อพฤ้นต่อพือไปเราจะทําไงวางเปนอะไรคนไหนที่คนรักคนไหนที่เราพอใจหาคําตอบจากความคิดนิสัยก็ต่างกันไปก็ชอบคนละอย่างไปคนชลาเหมือนลองตาเด็กก็มองคือข้างหลัง ถ้าไม่ปึกอ่ะพ่อแม่ที่เคยมีลูกเวมเต้าเคยประกอบอะไรมาพกากุกยอ ด, ดอะไรเหลือรอดลอยวันหน่เรื่องใดมันติดมาร้วยคิดทืนท้างหลังคิดไปข้างหน้าไม่เป็ น, นก็แก่คิดคื น, นทัางหลัง <c oughs> <c oughs> มันก็ไปอย่างนั้นแบบ น, นี้ปัจจุบันเนี่ยมันก็ที่คว้างไว้กันหมด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 ภ า, านะีฝันลายฝันหวานบางทีก็ไปอาศัยความฝันอย่างๆ น, นะคนเกิดขั้นพึ่งความฝันไปเจอแล้วคนก็หยันพึ่งการกระทาปัจจุบันนี่คือของจริงมันต้องเริ่มต้นเดี๋ยวนี่สิบสิบสี่รู้สิบสี่วินาทีเอาไปเลย ผมรู้สึกตัวสิบสี่วินาทีรู้ที่กายกายก็มีทุกคนรู้ที่ใจใจก็มีกันทุกคนต้องต้นจากตรงนี้แต่รู้วินาทีหนึ่งรู้วินาทีหนึ่งรู้ชั่วโมงหนึ่งรู้สามพันหกนร้ยรู้ไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้ ว, ลวรู้มากรู้มากไปไม่ต้องไปคิดหาขีดฐางผลเป็นการกระทําที่ว่ากรรมฐาน ที่ตั้งของการกระทาปฏิบัติให้เป็นสถาบันให้มั่นคงชัดเกณนแม่นยำหัดตนสอนตนงอแต่คิดเอาเหตุเอาผลเอาผิดเอาถูกเอาพอใจเอาไม่พอใจชอบอย่างนั้นชอบอย่างนี้อ่านไม่ใช่ไม่ใช่เกิดจากการกระทามันปายไปแล้ว ก, ก็กำะทำมันเดี๋ยวนี้คือเนี่ยฝึกอย่างนี้เรียกว่ากรรมมรรคทาให้เกิดพุท ธ, ธะจบได้ความหลงก็จบได้ความโกรธก็จบได้ความทุกข์ก็จบได้กิเลสตันหนาอะไรก็จบได้มีตกิตที่บริสุทธิ์กายบริสุทธ์เป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาขึ้นมาเราก็สนดกใช้ชีวิต ตื่นะดึกสึกจะหนุ่มให้ไม่ชีวิตลางงานไป <c oughs> อย่ารอให้เท่าหว้แจ่ถ้าไปเท่าหอยแล้วฝึกมันก็ฝึกยากคนแก่ง่งอ่อมทุลักทุเลมากเหมือนต่อบอดข้ามภาคผังกองหามือนการไต่ไผ่ลำคารคัมมากิริยาเสนทุลักทุเลเล ถาไม่อยากให้ทุรล็กทุเรีมากต้องข้าภาคแต่นเนิ่นก่อนตนแก่เนี่ยตื่นแต่ดึกซึกตนดุปรอให้เท่าให้แก่ศาสนาธรรมะศรรมะีลจําเป็นเรื่องของคนแก่มันไม่ใช่เป็นเรื่องของคนหนุ่มเนี่ยคนแก่อย่างงลวงตาเนี่ยประชาชนบัตรประชาชนขอผู้ไม่ถามหาแล้วไม่ตื็นที่เป็นไปนต่อจริงเดย ถ้าคนหนุ่มก็าต้องเอาจริงเอาจังเรื่องนี้แม้แต่ <c oughs> ปัญหาต่างต่างก็จะคนหนุ่มก็จะวัยรุ่ น, นเราจึงเขียนซะตั้งแต่เจ้ น, นี้มีสติรู้สึกตัวไป มีสติวินาทีหนึ่งมีสติวินาทีนึงมันก็เป็นมากขึ้นมากขึ้นเห ม, ม, มืนเงินหมื่นเงินฉนก็นับจากบาทเดียวเรื่องละไปมันทําได้กายก็มีจริงใจก็มีอยู่รู้สึกตัวไปมันก็มีกายมีใจเท่านี้คนเราแม่แปดหมืสี่พเรื่องมันก็มีกายมีใจนี่ได้าหลุด ต, ต้นนี่เข้าไปก็ ก็ไม่มีอะไรแล้วก็มีแต่ความรู้สึกตัวเป็นเจ้าของกายเป็นเจ้าของใจถ้าไม่มีความรู้สึกตัวเป็นเจ้าของความหลงเป็นเจ้าของก็ปล่อยเถื่อนสมสน่นก่อยโสภณีกิดโสภณีไปเลยทำมารีทำชัว่วทำดีได้ยากทำชั่วได้ง่ายเป็นปภาษาต่อตัวเองและคนอื่นเึงอเงื่นวตัตถุอื่น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 ผมหลงลงไปเป็นเปรเป็นสิโลกาจตนาโลกเดือดฉานเราหมดรู้สึกตัวมันขึ้นมาสูงความเป็นมนุษย์ผมหลงเป็นคนความเป็นรู้สึกตัวเป็นมนุษย์มนุษย์คือผู้ที่มีความรู้สึกตัวมีใจสูงแล้วความชื่วเป็นทำความดีเป็นตดยเฉพาะโดยใจของเราไม่ต้องไปหาอะไรอย่างอีกมากมายบางทีเราไปต่อลองเราไม่มีโอกาสทำบนลำธาร อันนั้นอย่าเอามาต่อรองนี่แหละการทําบุญเนี่ยรู้สึกตัวเนี่ยเป็นบุญแล้วบุญคือความรู้บาปคือหลงทนนําบุญตัวนี้เรียกว่ากุศลก็ได้ทำดีทดําดีให้รู้สึกตัวเนี่ยเป็นความดีแล้วถ้าเราลักพ่อลักแม่ลักลู ก, กลักเมียลักพี่ลักน้องเราก็ต้องเป็นคนดีตรงนี้ ไม่ความรักโดยคิดอะไรอาวรอนามันไม่ใช่บริสุทธิ์ความรักที่บริสุทธิ์มคือเราเป็นคนดีรักสามีปัญญาก็เราต้องเป็นคนดีรักพอ่อรักแม่เราก็ต้องเป็นคนดีพ่อแม่เรื่องเรามาอยากให้เราเป็นคนดีถ้าเราเป็นคนดีก็สุดหัวใจแล้วพ่าแม่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 มันอยู่ที่ความหลีความชั่วในสตอผสมความดีในสติเนี่ยถ้ามีสติมันคิดก็ไม่ได้มันพูดก็ไม่ได้มันรู้สึกตัวมันอ่ยตัวเองนี่แต่มันคิดมันกวอายนะถ้ามีสตินะไม่มีคนอื่นเห็นเราก็เห็นบอาเอ้ยคี่นี่ก็คิ ด, คคดเลยไอชาติหมาเดิน mm hmm. ดาบไปอย่างนี้ <laughs> ใช่ไหมเคย <c oughs> เคยดาย่าตัวเองไหมอาชาตหมามีราชสีตัวหนึ่งถือว่าเป็นราชาของสัตว์ทั้งหลายยิ่งใหญ่กว่าสัตว์ทั้งหลายราชสีเนี่ยเดินไปไหนมาไหนสัตว์ทั้งหลายจะต้องหลีกทางเขาลุเป็นราชาของสัตว์ทั้งหลาย โอ้ช oh, ื่เป็นราชาก็มาดูเองเวลาน อ, อนเวลาน อ, อนเราดูที่นอนของตนเองเราตื่นจากที่นอนที่นอนก็จูกระจใยมองดูที่นอนของตนก็ด่าตัวเองไอชาติมาไม่สมกับเชื่อชาติละสะสัทธิ mm hmm. มึงไม่ต้องไปหาจินละน อ, อนให้มันตายอยู่ในถ้ำเ น, นี่นอนลองเองคืนที่สองมองดูเห็นกระจูกใจไอชาติมา ด่าเองมองดูกีวรอุอยชาติอะไรไหมเป็นกีวรญาติโยมคอยยกหมูว่ายงานชั่วเร็วซ้ำขนาด น, นี้เลยด่าชาติมาไม่สมกับญาติโยมกว่าไหวทำบนไอ้ท า, านด่าเองจนในที่สุดเราจะสืบลุกขึ้นมาที่นอนเรียบร้อยกินนั่งเรียบร้อยอ๋อหากินได้ร่ันนีย ไปหากินเนี่ยเราก็ด่าตัวเองบ้าอย่าไปหัดด่าคนอื่นหัดด่าเรื่องดีที่สุดตั้มหนีตัวเองอย่างเราส่วเมื่อกี้เนี่ยตัวของเราเองติตวนเราติตวนมาอะไรได้ไหมตัวเราเองติเตือนเราเราได้เองได้ตัวชินได้หรือไม่ติตัวเองเตือนตัวเอง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 เรมีกรรมเป็นของของตนเราทําดีจะได้ดีทําชั่วจะได้ชั่วมองก็เขา ม, ามันคิดหรือเนี่ยบ้า่เด้เนี่ยมันคิดไม่ดีมันก็จะทําไม่ดีมันก็จะติดนะสติรูปไปรูปออกก็มาล้างออกไอ้ความคิดตัวเองยกมือไหวตัวเองได้เป็นพระแล้วเมื่อคนอื่นไหวเราแล้วก็ ไม่มีเจ็บใจตอนเราเป็นคนชั่วขเขาใส่บาตรเรามันเจ็บใจเขายกมือไหว้เรามันเจ็บใจถ้าเราเป็นคนดีเราได้ไม่มีการเศ้าหมองเราก็เหมือนกันถ้ายกมือไหว้ตัวเองไม่เป็นเราก็ไม่มั่นใจ ช, ชีวิตเราเ ได้จะบมือไหวเป็นเขาเห็นทาก็ปกติเขาสรเสริญก็ปกติเมื่อได้อะไรก็ปกติเมื่ออะไรเสียไปก็ปกติไม่หวั่นไหวผู้ที่ฝึกฝนตนดีไม่หวั่นไหวเหมือนจิตใจแทงทึบไม่หวั่นไหวเพราะลมฉันได้ผู้ฝึกตนดีแล้วไม่หวันไหวเพราะเห็นตาสเสริญ มันเป็นของใครมันเป็นของเราทุกคนเนี่ยเราเป็นคนดีอย่างนี้แล้วหนึ่งเราเนาะประเทศเราหกสิบกว่าล้านคนน่ะนับหนึ่งจากเรานี้ไปเป็นคนดีช่วยกันมีอะไรที่เราต้องไปช่วยกันสร้างโลกอยู่โดยพวกหมอเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเนี่ยมีงานช่วยคนร้อยเปอร์เซ็นตเป็นงานบุญ มีประโยชน์มากงานเราที่ทําเป็นแต่บุญทําความดีช่วยคนทุกคนยากคนเดือดร้อนคนป่วยในตุลยตาที่รอดวันนี้ก็พวกนี้ช่วยเราเห็นพยาบาลเหมือนเห็นเทพพิดาของเราเลยเห็นหนายแพทย์เหมือนเห็นเทพปรปุติของเราเลยลรงพยาบาลจุฬาเป็นที่เกิดของไหนของเราเลยเรายังคิดถึงอยู่ คนหมอที่เดินยืนอยู่ข้างๆเตียงไูบานที่ให้ยาล้มตาล้ตาอยากกั้นอยากั้นไทยอยากกั้นหนักกันเบานะอยากกั้นหนักกันเบาวันทรม า, านตายไม่เคยได้ยินใครพูดเลยแล้วเคยเวลาปวดหนักปวดเบาไม่กัน้นเลยตอนนี้ oh. เพราะเสียงไูบานบอกเราในห้องไอซอยู่ตึก อะไรก็จุลาลงก่อนลงตาหลงตา อ, อยากกันหนักกันเบานะมันตะลามานตายได้ยินเชงแววแววไม่เคยมีใครบอกกันเลยเราก็อายนะที่แรกนะไม่กล้าที่นอนหนักนอนเบาบนเตียงแล้วก็ทำไมได้ ก็ <g ül üyor> หัดไปครับก็ทำอาจารย์โนดอาจารย์ตุ้มเลยคดที่ชิดเยอะไหมเอ้เอ้าหลงตาที่ไหนอายอะไรไม่ใช่หลงตาแล้วเป็นท่าธรรมดามเงินท่าธรรมดาไม่ใช่หลงตาสําคัญมั่นหมายไว้ตัวเองไม่ใช่ ตกเป็นธานธรรมชาติมีดินน้ำลมไฟเวลาเมาร่นก็โถอนเขางหมันก่อนไว้อายเขาทีแรกแล้วก็ขอร่นแล้วร่นแล้วไม่เป็นไรมาเช็ดเอาผ้ามาปูที่นอนให้มาไม่ไม่จะ ไ, ไม่เรียกว่าทิพย์ที่ดาอย่างงช่วยเราอย่างนี้กคนเาเนี้ยพยาบาลนะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนี เป็นบุญในหัวใจของเราทุกคนนี่ขอใช่นี้ประเทศชาติโดยการบอกความจริงกันอย่างนี้นอย่าหลงเถื่อพวกเราให้มีความรู้เต็ตัวไปช่วยกันนะกันเอามันนี่ประโยชน์เนี่ยมือสิบนี่สร้างโลกได้น้องตาก็มาใช่นี่ชวนพระชวนโยมโป๊ะต้นไม้ต้น ม, ตมันกัดผลใช่นี่ประเทศชาติอีกสี่สิบปี ขายได้ต้นละหมื่นบาทสี่แสนต้นได้สี่แสนหมื่นให้จานท์นช่วงว่าขายรวยไปเลยหลังตานี่ก็ดตายไปแล้วไม่เหลืออะไรแล้วอขอใช้นี่ขอจะก้มไหมอีกอันหนึ่งก็คือมาสอนให้เราเป็นคนดีเนี่ยไปช่วยกันนะเราก็มีเท่านี้แหละหมดสภาพแล้วจึงอาศัย พวกเราอยู่ช่วยกันเถอะมาเป็นคนดีมาแล้วความชัว่วมามีสตติเนี่ยมันทำได้อยู่ไม่มีใครไม่มีสตติเร้งนี้เลยทำได้อยู่นะไอเย็นไหมไอเพียนไดเย็นบ่เคยนอนตะบัานยู่ิถอมาอยู่ทีนะ่เรา น้อยไปบ้านนอยอยู่นอดลูกอดหลานเอาใส่ความคิดผ่าไปอย่าระวังนะความคิดมันหลอกนะเหมือนลวงตาองนะมาอยู่กับเราเนี่ยแสมัยอยู่วงเลยหลังผมตั้งใจแล้วมาอยู่กับอาจานตัดทิ้งใจมาแล้วขอให้อยู่ปฏิบัติ ท, ทําไปหายบาทมาลาอะไรสักแล้วก็ ผมจะลากับวัดกอนอันนั้นก็ยังไม่เสร็จอันนี้ก็ยังไม่เสร็จเอ้าเมื่อสี่หวันมาว่าจะมาอยู่ที่นี่ทำไมจะคิดจะกลับผมบอกให้หมาดูความคิดนะเห็นความคิดตัวเองมันคิดอะไรจะไปตามันทะบทุ่นหรือดูดีด ให้ความคิดสั่งมามาทีแรกอะไรพามาความคิดพามาจะกลับไปอะไรพาไ า, พาไปความคิด่ากไปความคิดเอ้ามันเละให้ดูวนันอย่าไปทำตามมันทั้งหมดความคิดอยากไปก็ไปอยากอยู่ก็อยู่ให้เราเนี่ยเป็นสละรู้สึกตัววันที่จะลุกกรกใหม่ลุกในหะ้รู้จุดตัวว่าที่จะใจไหลก็รู้จึดตัวเนี่ยเอาตัวนี้ นัประเทศไปเลยสอนไปเลยหายบาดกลับึ้นไปอยู่กตนะออิทั้งงานก็ไม่ไปแนละ้วเพิ่มคิดบางทีหลวงตาก็เอาเรื่องนี้จริงจังไปปฏิบัติทำหนึ่งเดือนที่จังหวัดดอนทาดี <c oughs> วํามาเสนาไปหลวงพ่อองค์หนึ่งไปเอาน้องชายมาวด อยากให้มาปฏิบัติตามคิดถึงน้องน้องนั่นเป็นคนร้ายได้มากได้กลัวว่าเขาจะมาข่าน้องเอาน้องมาบวชจะ้ะน้องชายก็เชื่อฝังพี่ชายมาบวชพอบวชเรากให้เดินจงกรมเดี๋ยวลงตา ก, ก็เดินอยู่เขาก็เดินอยู่เดินต่อแต่ตัวนั้นะวัดสร้างใหม่ไม่มีต้นไม้เลยตํางปีเลยนะ ดเดินหนึ่งอาแดดเดินกันหงอยไหลขย้อยก็เดินอยู่เ อ, อกไปมามากรบาบเราอาจารย์ผมไม่ใช่ที่มาบวชนานนะผมมาบวชเพราะพี่ชายชวนมามาบวชแล้วก็โวจะสึกก็เลยบอกอ้อาวใหม่หม่ใช่มาเดินจะกรงเพือคิดเรื่องจะึกนะต้องบาเดินให้โลดจุดตัวเนี่ยโล ด, ดตัว ไปเดินอย่างก่อนๆไม่ใชิดเรื่องสึกเรื่องสึกมันยากห้นีดเตียวยากอะไรเลยให้ไปเดิ น, เ, ดนเอาไปมามาหลายอีกแล้วก็บอกขี้เขาไปขี้เขาไปเห็นไหมเห็นความคิดไหนอะไรที่มันเดินมาขอลาสิความคิดอา้าวควาคิดอะไรก็จะทําตามมาันลืความคิดเนว ดูมันดีเวลานี้เป็นเวลาเดินจงกรมสึกไม่สึกไม่เป็นไรหรอกว่าแต่เวลานี้ใช้ให้มีสติเนี่ยไปเดินจงกรมประมาณนานนานเป็นชั่วโมงมาอบบนี้มากลาบเท่าหอรออาจารย์ครับผมเพิ่งมาเห็นความผิดของผมเวลานี้แต่ก่อนผมตกเป็นข้าของคิด ผมเป็นคนชั่วทำลอยคนมามากแล้วต๋มเคยข้าคนใครจะมาทำลอยผมไม่ได้ต๋มปลุกข้องคุ้มของยาติพี่ล้องทั้งหมดคนในตระกูลของผมเขากลัวผมทุกคนเขาไม่กล้าดังคิดว่าตัเองดีเป็นการปกครองแต่พี่ชายเป็นห่วงไม่อยากให้น้องทำนั้นคิดขึ้นมาโอ้ยผมเสียใจผมกําลังวางแผน ผ ม, มคิดหลวงพ่ออาจารย์ศึกให้ผมผมจะไปเอาปืนกับลูกชายผมผมจะไปยิงคนนั้นมันจับผมมาได้ตำรวจไม่เคยจับผมได้โอ้ผมมาเสียใจหลวงพ่อบุญล่ำจนไม่สึกตลอดทุกวันนะเวลาท่านตำหนทราพยียงหวัดหนองคายจดหมายมาให้หลวงตาในี่ไป ่าให้มาดูแล้หลงขั้งจุดท้ายแล้วให้หลวงป่าเป็นผู้มาจัดงานจบของผมไปมรลภาพที่จังหวัดหนองคายไม่จึกเล ย, ค น, ค น, ย, ยนี่ความคิดนะห่างงเออนั่นเนี่ยอย่าไปทําตามความคิดเสมอไปนะเรารับใช้ความคิดบา้าบ้าไปเกิน คิดสุขคิดทุกข์มีความสุขความทุกข์กับความคิดมาเห็นรูปทรหนำทำนับหล่วโอ้ยตั้งแต่ปับันนี้ต่อไปเราจะไม่เป็นสุขเป็นทุกข์เพราะกายเพราะใจละแต่ก่อนกายใจทำอะไรเป็นสุขเป็นทุกข์ตัวนี้ไปเราจะไม่เป็นสุขเป็นทุกข์เพราะกายเพราะใจเราจะอยู่ของเราเองปลอดภัยตรงนี้ไปให้ถึงตรงนี้ได้ ถ้าครยังเป็นสุขเป็นทุกข์พวกกายพร ะ, ะอยู่อย่างไม่มั่นคงชีวิตเราสุขทุกข์ที่เกิดกับกายไม่เที่ยงไม่แน่นอนเป็นสังขารกายสังขารจิตต์สังขารไม่จริงไม่ไม่ใช่จริงต้องเป็นตัวของตัวเองนะยินไหมอยอดโยง <Yeah. S 1> อ๋อสมควรจเววนะเป็นอะไ